ราะว่าความดำเนินไปได้จักมีแก่เรานะเมื่อรับประทานแบบนี้แล้วเนี่ยกำจัดเวไม่กำจัดเวทนาเก่ากออกไปแล้วไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นร่างกายนี้ก็จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นท่านอธิบายว่าอันตรายที่เข้ามาตัดรอนชีวิตตินณีหรือที่บันทอนอริยาบทพึงมีได้ก็เพราะประกอบด้วยการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นสปายะ และบริโภคเกินประมาณแต่อันตรายนี้จะไม่มีก็เพราะการบริโภคที่ประกอบด้วยอาหารที่เป็นสปายะและบริโภคที่พอประมาณเนี่ยนะถ้าหากว่าบริโภคลักษณะนี้ร่างกายก็จะเป็นไปได้อธิบายว่าพี่สุคิดว่าด้วยการบริโภคบินธบาดพอประมาณความดำเนินไปได้กล่าวคือความเป็นไปได้ตลอดกาลนานจากมีแก่เราคือแก่กายซึ่งเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยนี้ เพราะไม่มีอันตรายที่เข้าไปตัดรอนชีวิตินทรีหรือที่บันทอนอิรยาบทดังนี้บ้างแล้วจึงเสพเหมือนคนเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยนะคำว่าโรคเรื้อรังคือโรคยังไงโรคที่แก้ไขไม่ได้อะนะโรคคือความหิวเนี่ยใครแก้ไขได้แก้ได้พักๆ ก, กันนะบำบัดไม่ให้ทุกขเวทนาเกิดอะพอได้นะแต่ว่าเอ ร่างกายอันนี้ก็เป็นเหมือนกับโรคเรื้อรังนั่นแหละเศษปัจจัยคือยาแก้โรคนั้นฉะนั้นเห็นไหมก็บอกว่าความหิวเนี่ยมันเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นมายาวนานแล้วเนี่ยนะเป็นมาจนยอมรับสภาพแล้วเห็นไหมก็ว่าพิการจนยอมรับสภาพแล้วนึกว่าไม่พิการเลยอะไอ้ความหิวเป็นพิการอย่างหนึ่งเหมือนกันเกิดเป็นพรมนะไหนรู้แล้วรู้รอดจะได้ไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรสักทีมีปีติเป็นผักษา น่าดีนะหาพวกอยู่ปัจจัยที่เป็นเหตุให้ตัดรอนชีวิตตินซีเนี่ยมีอะไรบ้างนะเขาบอกว่าหนึ่งในเหตุที่ทำให้สัตว์ตายก็คืออาหารและอย่างหนึ่งบักแสดงถึงมหาพูดเนี่ยนะทำมหาพูดกำเริบเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งกำเริบ ชีวิตตินซีก็ขาดไปอาหารชีวิตตินซีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็มีความสำคัญต่อชีวิตตินซีมากเห็นหอากาศที่หายใจเข้าไปนี่สำคัญนะตอนเราอากาศเสียมเมื่อไหร่นี่จะเห็นคุณค่าของลมหายใจทันทีเลยแต่าอากาศยังดีๆอยู่เนี่ยนะสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่จริงร่างกายของเรานี่นะอาศัยปัจจัยเยอะจริงๆอ่ะ ทีนี้เมื่อความพร้อมมูลแห่งปัจจัยแล้วร่างกายดำรงอยู่ได้ก็นึกว่าฉันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าปัจจัยแต่และตัวเริ่มวิบัติเริ่มวิบัติแล้วนะชักยุ่งเลยนะเดือร้อนนะและอย่างและอย่างหนึ่งก็คือจิตนี้นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากของชีวิตตินรีเนี่ยนะถ้าลองจิต สุขภาพจิตไม่ค่อยดีนะโทสะมันเกิดมากๆชวนาเนี่ยนะไม่มีอย่างอื่นมาเกิดสลับเลยนะมีแต่โทสะมากๆากมาก ม, าก ม, ากมาร่างกายมันจะสุดจะซุดซุดซุดไปเรื่อยๆนะในที่สุดก็ตายได้ไม่ยากนะผละะสภาพจิตนั้นนับว่ามีความสําคัญมากต่อการเป็นไปของรู ป, ปรกายเพราะว่าจิตนั้นเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเขาจะทําจิตตชรูปทําให้จิตตชรูปเกิดขึ้นด้วยในขณะเดียวกันเนี่ย เขาจะเป็นปัจฉาชาตปัจใจหลอเลี้ยงกายที่มีสมุทฐานสีเนี่ยนะให้ดำรงเป็นไป ต, ต่อไปนะจิตการเกิดขึ้นของจิตนับว่ามีความสําคัญพระผู้มีพระภาคนั้นทรงแสดงเรื่องจิตละเอียดกว่าเรื่องรูปเนี่ยนะเรื่องจิตนี่แสดงละเอียดมากต่อไปคําว่าความหาโทษไม่ได้และการอยู่ภาสุขเนี่ยนะก็คือถ้าหากว่าบริโภคอย่างนี้แล้วนะ ร่างกายก็จะเ ป, เป็นไปได้ใช่ไหมร่างกายก็จะอยู่ผาสุขเหมือนกันเถอะเพราะไม่มีโทษก็อยู่ผาสุขความว่าภิกษุคิดว่าความหาโทษไม่ได้จกมีแก่เราโดยการเว้นจากการสแสวงหาที่ไม่สมควรเว้นจากการรับที่ไม่สมควรเว้นจากการบริโภคที่ไม่สมควรเพราะหากว่าภิกษุที่ บริโภคแล้วมีโทษคือบริโภคอย่างไรคือตั้งแต่การสแสวงหาที่ไม่ถูกทำมินายเนี่ยนะได้มานี้ก็ชื่อว่ามีโทษแล้วนะและก็การรับที่รับมากเกินไปเนี่ยนะก็ชื่อว่าไม่ดีไม่ชอบธรำหรือการบริโภคที่ไม่ปัจเจกนี้ก็ชื่อว่าไม่สมควรเพราะฉะนั้นในดีการท่านอธิบายว่าการสแสวงหาปัจจัยด้วยมิชอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจแล้วชื่อว่าการสแสวงหาที่ไม่ชอบ เป็นการสแสวงหาที่ไม่สมควรการไม่รู้ประมาณของทัยธรรมแห่งทายกและของตนแล้วรับอันนี้ชื่อว่าการรับที่ไม่สมควรนะการรับที่ไม่สมควรก็อย่างเช่นที่เคยกล่าวว่าถ้าทัยรรมมีน้อยทายกมีศรัทธามากก็ควรรับแต่น้อยถ้าทัยรร ม, มีมากทายกมีศรัทธาน้อยก็ควรรับแต่น้อยตามแรงแห่งศรัทธา ถ้าของนั้นเนี่ยนะมีมากศรัท ธ, ธาก็มากอันนี้อะไรใช่หลักไงก็บอกว่ารู้ประมาณของตนเขาว่าเพราะใ น, นรู้ประมาณในการรับนี้สำคัญมากหรือว่าเพื่อป้องกันศรัท ธ, ธาไทยไม่ให้ตกไปเนี่ยนะถ้าหากว่าอาหารที่รับมาแล้วก็ไปเที่ยวแจกให้คนอื่นก่อนที่จะฉันก่อนเนี่ยนะเป็นต้นนี้ก็ชื่อว่า การทำศรัทธาไทยให้ตกเนี่ยนะหรือการรับที่เป็นเหตุแล้วรับแล้วต้องอบัตเลยเช่นรับเนื้อดิบไม่ได้เนี่ยนะเนื้อดิบไม่ได้ข้าวเปลือกเนี่ยรับประเคนตรงๆเป็นข้าวเปลือกเลยไม่ได้เนี่ยนะว่าเออเอาโยมาข้าวเปลือกมาเดี๋ยวมาจะให้เน้นตามเองอย่างเงี้ยนะตั้งอารับข้าวเปลือกเนี่ยไม่ได้รับของดิบแต่ข้าวสารเนี่ยรับได้แต่ถ้าเป็นเนื้อนะเนื้อทุกชนิดเนี่ยเป็นเนื้อดิบรับไม่ได้เลยต้องเว้นจากการรับเนื้อดิบ แต่ก็มีนะภิกษุที่ฉันเนื้อดิบได้เนี่ยนะโดยที่ไม่เป็นอบัติคือภิกษุที่เป็นผีสิงเขาว่ากันผีสิงแล้วจะไปกินเนื้อดิบหรอไนนะมีนะในคัมภีร์เนี่ยกล่าวไว้ในวินัยเนี่ยนะถ้าภิกษุถูกผีสิงแล้วจะกินเนื้อดิบเนี่ยนะก็กินได้ต้องรอให้ผีสิงก่อนนะค่อยกินเนื้อดิบได้คงไม่หิวมั้งเนาะ เพราะฉะนั้นไอการที่รู้ประมาณในการสแสวงหารู้ประมาณในการรับรู้ประมาณในการบริโภคคือพิจารณาตามหลักที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะก็ไม่มีโทษแต่ถ้าไม่เป็นไปตามหลักที่กล่าวมาเนี่ยอาหารได้มาโดยอาชีวะปาริสุทิศินแล้วแต่บริโภคไม่ไม่ปัจเจกก็มีโทษอกีกเพราะฉะนั้นในชั้นต้นแล้วนะอาชีวะปาริสุทิศินเนี่ยท่านกล่าวไว้ก่อนใช่ ว่าเอออาหารนี่ได้มาโดยชอบทำเลยนะทุกอย่างได้มาโดยชอบทำหมดพอได้มาแล้วเวลาจะขบฉันเป็นต้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาอของเราที่จริงนะในมื้ออาหารในโต๊อาหารเนี่ยเราสามารถปารภเป็นจตุปริสุทิสินได้นะเช่นตั้งกับต้นเลยนะว่าศีลสังวรเนี่ยนะเราไปทําปานาติบาสมาเป็นต้นไหมเพื่อให้ได้อาหารเหล่านี้เนี่ยนะมีไหมเราเคยคิดนะเอาศีลมาเช็คไหนก็ได้เออาหารในโตนี้เราไม่ได้ไปผิดศินมานะ อันนี้เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ของเรา เ, ออเราจะรับประทานและปัจเจกที่เจรณาไข่ควรต่อไปนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสารนิรรสิตศีลของเราเอ๊ะคิดไม่ยากนะศีลเนี่ยถ้าฝึกได้นะแต่ถ้าฝึกไม่ได้เนี่ยนะแล้วจะเอาอะไรมารองรับกุศลธรรมชั้นสูงล่ะเกี่ยวข้องกับอะไรใจเป็นไปกับอกุศลตลอดแล้วเอาอะไรมารองรับใช่ไหมเนี่ถ้าหากว่าการพิจารณาในสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะ การใคร่ครวนการพิจารณาบ่อยๆสามารถรองรับกุศลธรรมชั้นสูงหรือว่าผู้ที่ขาดความตั้งใจที่จะเจริญกุศลธรรมชั้นสูงเช่นสมถะเนี่ยนะไม่คิดจะเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นไม่คิดจะเจริญกรร ม, มาฐานอย่างอื่นๆเลยเขาจะไม่เห็นคุณค่าของการพิจารณาปัจจัยสี่นะลองพิจารณาปัจจัยสี่ให้รบอบครอบทั้งวันเลยนะเกี่ยวข้องกับอะไรพิจารณาเลยจะใช้เสื้อผ้าเนี่ยนะนุ่งห่มพิจารณาเลยตามหลัก อาหารรับประทานเข้าไปพิจารณาเข้าที่ยืนที่นั่งพิจารณาแล้วลองเจริญกรรมฐานดู น, นสภาพจิตเนี่ยจะแตกต่างกาันแล้วก็ช่อยช่อคิวันนี้อยากเจริญกรรมฐานเอาเลยนั่งเจริญเลยตับพิจารณาแล้วเจริญโอ้ห่างกันฟ้ากับเหวเหมือนกัน <c oughs> อีกอย่างหนึ่งความหาโทษไม่ได้จักมีแก่เราโดยการไม่มีโทษ เนี่ยนะคือความไม่ยินดีความไม่ยินดีก็คืออารตินั่นเองอาจะอธิบายต่อไปคําว่าความหาโทษไม่ได้จากมีแก่เรานี่นะคืองดเว้นจากการสแสวงหาการรับและการบริโภคที่ไม่ชอบเหล่านั้นเพ่งทราบด้วยอำนาจการทำปัใจจัยให้เกิดขึ้นเป็นต้นโดยทําโดยสม่ำเสมอจริงอยู่การสแสวงหาปัจจัยโดยชอบธรรับมาโดยชอบรำแล้วพิจารณา แล้วจึงบริโภคชื่อว่าความเป็นผู้หาโทษไม่ได้หลายท่านงงเอ๊ะเอามาจากไหนมาอ่านหนังสือผมเห็นมีเลยขอมานี่เอาดีกามาอ่านสลับไปเห็นไะหตรงไหนหน่าจะเอาดีกามาใสา่ก็จะใส่ดีกาบอกเออท่านไปเอามาจากไหนเนี่ยงงไม่ต้องงงว่าเอามาจากดีกาเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอคําว่าหาโทษไม่ได้ก็คือหาโทษตั้งแต่ว่ากว่าจะมาเป็นอาหารในถ้วยนั้นน่ะ ไม่มีโทษอย่างใดอย่างหนึ่งติดตามมาเลยและต่อไปว่าโดยความไม่มีโทษคือความไม่ยินดีไม่ยินดีตัวนั้นเป็นบาลีชื่อว่าอารติคำว่าอารติได้แก่ความกะสันคำว่ากะสัรก็คือความไม่ยินดีอย่างยิ่งในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่ยินดีในอธิคุลทั้งหลายไม่อยากเจริญกุศลเลยนะไม่ชอบที่สังัดเอไปอยู่ที่เงียบๆไปชักไม่คยดีละไม่สนุก ไปนั่งเงี ย, งยบๆแล้วมันฟุง้งอันนี้อารติเข้าเล่นงานแล้วนนไม่ยินดีในที่เงียบสงัดแล้วก็กุศลจิตก่อมใหม่เกิดเนี่ยนะถ้าพวกลักษณะนี้เขาเรียกว่าอารติความเกียรติคร้านเนี่ยนะความบิดกายความถูกผู้รู้ติเตียนเป็นต้นและโพชนะที่ไม่เป็นสปายะที่เกินประมาณเป็นปัจจัย ก็นะจะต้องอเว้นจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดบางันการอยู่พาสุขจากมีแกเราโดยความเกิดขึ้นแห่งกําลังกายเพราะโพชนะที่เป็นสปายะและที่พอประมาณเป็นปัจจัยเห็นะอาหารได้มาโดยชอบทมแล้วมีการไข้ครวญจริงๆแล้วก็บริโภคเข้าไปที่จริงเราก็บริโภคอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะวันไหนไม่ได้บริโภคได้คงหายากนะเคยมีห ย่อน้อยเล่าให้ฟังว่าวันที่เขาจะผ่าตัดก็ว่า ง, งั้นไม่ได้บริโภคเลยเพราะว่าหมอให้อดแต่ถ้าธรรมดาทั่วไปแล้วไม่มีไม่มีใช่ไหมที่เวลาวันไหนที่ไม่ได้บริโภคเมื่อไหร่จะได้ศีลสักทีหนึ่งเมื่อบริโภคนะก็บอกว่าถ้าเราไม่บริโภคแล้วไม่ปัจเวกไม่ไข้ครัวเนี่ยช่วงนั้นๆเนี่ยพร่องกุศลเนี่ยนะก็น่าคิดเหมือนกันนะเออถ้าบริโภคเสร็จที่จริงเพลเจอร์เนี่ยนะจำมากในวงอาหารอาี่ยนี พอขณะที่บริโภคไม่ปัจเจกด้วยสัมผัสปลาปะต่อ อ, อีกลวงกรรมบดีละกุศลนี้เกิดยากนะเพราะว่าไม่ค่อยได้สมาทานไม่ค่อยได้ปาราลบนะแต่ถ้าสมาทานบ่อยๆนะถ้าลืมแล้วอธิษฐานใหม่ลืมแล้วอธิษฐานใหม่เพราะว่าพวกนี้จะบริสุทธิ์ได้ด้วยถ้าปัจจัยสันนิสิตาสีเนี่ยบริสุทธิ์ด้วยการใคร้ครวตการพิจารณา ถ้าจิตเป็นอกุศลนี่ บ, บริสุทธ์ด้วยการอธิษฐา น, นนะอธิษฐานด้วยพิจารณาด้วยแล้วก็บริสุทธ์เองแนะอีกอย่างหนึ่งความหาโทษไม่ได้เพราะการละสุขในการหลับเนี่ยนะคือไม่ได้บริโภคเสร็จใหม่กินให้อิ่มๆมากๆก็จะได้หลับสนิทหน่อยเหมือนั้นหรือว่าสุขในการเอนและก็สุขในความโงกง่วง น, นะสุขในการนั่งเคลิ่มๆเมนี่ยนะอย่างนี้ไม่จะกรรมฐ า, านเนะ จเจริญสะอะไรนะทีนมิทะเจตสิกมีในสมัยผู้ตสมัยผทธเจ้าองค์ก่อนสมมณเณรองหนึ่งโอ้สงสัยพระใช้งานแกบ่อยช่วงจะหลับจะนอนนะคือเด็กบางคนเนี่ยบางวัยเนี่ยนะมันกำลังหลับกำลังนอนอย่างดีเลยพระใช้งานบ่อยมากๆเขาเอ๊ชักยุ่งละแต่ก็สมทาอะไรว่างั้นขอให้เกิด ชาติต่อไปเนี่ยให้ได้หลับได้เต็มที่เลยนะตั้งความปรารถนาให้ได้หลับเต็มที่นะเชื่อไหมแกหลับทิ้งพุทธันดรนหนึ่งนะก็คือหลังจากนั้นก็ตายแกไปเกิดเป็นพญานาคเกิดเป็นพญานาคเนี่ยนะแกตั้งแต่พระพุทธเจ้าในองค์แรกในกลับนี้แหละแกก็เกิดเป็นนาคพระพุทธเจ้าลอยถาดไปบาดมันก็ตกดังกริ้งแกก็ตื่นนาทีอ๋อมาพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปแล้วองค์ก็หลับไปอีก ถาดมันดังกริ้งอีกอ้าวเมื่อวานก็บรุ้งไปองค์หนึ่งวันนี้บรุ้งอีกแล้วเหรอแล้วหลับต่อนะนอนขนาดนี้นะพยาวจริงจริงนั้นพวกหลับนี่นะมันเป็นอุปนิสัยนะที่ไหนนั่งหลับอย่างเดียวเขาบอกงั้นพวกงูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่ชอบหลับมากเพราะงูนี่จะชอบอยู่ในที่เย็นๆนันนะจะอยู่ในที่เย็นๆแล้วก็จะหลับพฉะนั้นคนที่มักหลับเนี่ยนะก็โทสะก็เกิดไม่ยากนะ ถ้าใครไปกวนเวลาหลับของเขานี่ชักได้เสียและเวลาอื่นเขายัางชั่วหน่อยใช่ไหมแต่เวลาหลับนี่แม่มันช่วงที่กําลังจะสเสวยวิบากเก่าล้นล้วนโดยที่ไม่มีอย่างอื่นมาปนเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าขณะหลับนี่พะวังใช่ไหมพะวังนี่มันเป็นผลของบุญเก่าอ่ะเขากําลังสเสวยบุญเก่าใครไปกวนเขานี่ช่วงนั้นเนี่ยลำบากที่สุดแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องรับประทานแล้วก็ไม่ได้ไปเพื่อสแสวงหาความสุขจากการหลับการเอนการงกง่วง แล้วก็จกมีแก่เราโดยการงดเว้นจากการบริโภคเท่าที่ต้องการจนเต็มท้องเสียและการอยู่ผาสุกเพราะการปรับความเหมาะสมการแห่งอิริยาบถ4ีได้จกมีแกเราโดยการบริโภคอาหารลดลงไป4 5คําดังนี้บ้างแล้วก็เสร็จก็คือก่อนจะอิ่มเนี่ยรู้ว่าอีก4คํคำคําคำจะอิ่มนะพอละแล้วก็ดื่มน้ำนะ พระบางองค์ท่านเล่าบอกผมหาไม่เคยเจอเลยว่าไอ้สี่ข้อคำก่อนจะอิ่มมันเป็นยังไงเอาอิ่มแล้วพึ่งนึกได้ประนั้น <c oughs> นะแสดงว่าไม่ใช่คาถาภาษาลิบุตรเลยที่จริงเนี่ยตรงนี้เป็นคาถาภาษาลิบุตรที่กล่าวว่าข้อนี้สมจริงดังคําที่ภาษาลิบุตรท่านกลา่าวไว้เป็นคาถาว่าภิกษุพึงงดบริโภคเสียสี่ห้าคำแล้วดื่มน้ําแทนเป็นการพอเพียงเพื่อความอยู่ภาสุขแห่งภิกษุผู้มีตน ส่งไปแล้วเนี่ยนะผู้มีตนส่งไปกับกรรมฐานเนี่นะสี่ห้าคำก่อนจะอิ่มก็พอแล้ว <c oughs> ด้วยคําพูดมีประมาณเท่านี้คือสามคํานี่นะสามคำก็คือเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพเพื่อความไม่มีโทษแล้วก็เพื่อความผาสุกเป็นอันทรงแสดงการกําหนดเอาประโยชน์เนี่ยนะนี่คือประโยชน์ของการบริโภคและปฏิปทาอันเป็นสายกลางเนี่ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่า มัชชิมาปฏิปทานะการรู้จักบริโภคแบบนี้เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาน เ, เดี๋ยวย้อนไปที่เกี่ยวกับเรื่องอารติหน่อยอย้อนไปที่ว่ า, าบริโภคแล้วทําไม่บริโภคเนี่ยนะกรรมเก่าก็จะให้ผลใช่ไหมทุกขากายญวิญ ญ, ญาณก็จะเกิดเนี่ยไนะอความหิวเนี่ยก็คือทุกขากาญญาวิญ ญ, ญาณ น, นั่นเอง เขาบอกว่าคําว่าด้วยอํานาจแห่งกรรมเก่าเป็นปัจจัยความว่าด้วยอํานาจแห่งความที่กรรมเก่าเป็นปัจจัยเพราะอันตนกระทําไว้ในการก่อนคือในชาติก่อนเห็นไหมแต่ทํากรรมไว้ในชาติก่อนใช่ไหมประโยคนข้าวิบัติเมื่อไรให้ผลทันทีเวทนาใดที่ควรจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยประโยคนข้าวิบัติการเว้นเวทนานั้นเสียแล้วยังประโยคนข้าสมบัติให้ตั้งขึ้นเป็นการทําลายปัจจัยแห่งทุกขเวทนา และเป็นการกําจัดด้วยนะการย่าวิญญาณเนี่ยจะเกิดขึ้นด้วยปัจจัยเท่าไรกายะวิญญาณจะเกิดด้วยปัจจัยหลักๆเลยสอย่างคือหนึ่งกายยประสาธรูปสองโพธภารม 3. มมนสิการใช่ไหมและก็สปัปฐวีาธาตุเนี่ยนะปัจจัยแห่งกายยวิญญาณนี่สอย่างกว้าง นึวัตถุคือกายปสาท้าสองผุธภารมสามมนุษการสี่ปัทวีธาตุเนี่ยนะปัทวีธาตุมันพร่องไปความหิวเลยเกิดขึ้นเลยนะต้องไปเพิ่มปัทวีธาตุเข้าไปอีกเหมือกันเขาบอกว่าที่บอกว่าไม่ไม่ละเลยสุขอันเกิดจากชอบธรรมเนี่ยนะก็คือความสุขทางกายและก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขที่เกิดแต่ฌานเป็นต้น บทว่าอารติเนี่ยนะที่บอกว่าความกสรรันหรือความความไม่ยินดีเนี่ยนะได้แก่ความไม่ยินดีอย่างยิ่งในเสนาสนะที่สงัดและในอธิกุศลธรรมทั้งหลายบทว่าตันที่ความงกง่วงคือความหลับบทว่าวิฉำพิกาความว่าความบิดกายเพราะถูกถีนะและมิทะครอบงำกิริยาที่ผู้รู้ทั้งหลายติเตียนชื่อว่าวินยุ ข, ขระหาะผู้รู้ติเตียนเนี่ยนะจริงอยู่ภิกษุบางรูป ทำสิ่งที่ไม่มีโทษเลยให้เป็นสิ่งที่มีโทษ น, นะนะของมันดีๆอยู่แล้วใช่ไหมไปทําให้เสียอย่างเงี้ยนะวิทยุกําลังเปิดดังๆในซ่อมไปซ่อมมาเสียเลยอ่ะแบบเนี้ของดีๆอยู่แล้วไปสร้างปัญหาขึ้นอีกอ น, นะพิสูจบางรูปก็มีนิสัยคล้ายๆอย่างที่ว่าเนี่ยคือคิดว่าของเรานี้ได้มาลแล้วนะนะเออนี่อาหารในบาสนี่เหมันของเราทั้งนั้นแหละโยมเขาใส่บาสมาเป็นสิทธิของเราเต็มที่แล้วก็บริโภคเกินประมาณ เมื่อไม่อาจให้อาหารนั้นย่อยได้ย่อมลำบากเพราะเหตุมีอาเจียนและท้องร่วงเป็นต้นภิกษุทั้งหลายก็รู้ไปทั่ววัดใช่ไหมเขาบอกว่ามีวินัยกรรมบอกว่าถ้าพระภิกษุป่วยนะเป็นหน้าที่ของอุปชาอาจารย์ต้องดูแลถ้าอุปชาอาจารย์ไม่มีก็คือเพื่อนอนะนะต้องดูแลถ้าไม่มีใครเลยจริงๆเนี่ยเดียวเดียวกระเตรียมรียแบบเนี่ยคณะสงฆ์ต้องวัดเข้าไปดูแลคณะสงฆ์ทั้งหมดต้องดูแลถ้าไม่ดูแลเป็นอ ბ ัติเหมือนกัน วันองค์นี้เนี่ยฉันมากไปเลยป่วยเลยนะกระสับกระส่ายเดือดร้อนสงนะเดือดร้อนพระไปทางวัดนะจะต้องขวนขวายสแสวงหาเพสัชเนี่ยนะมาประคบประงมสรีระภิกษุนั้นภิกษุเหล่าอื่นก็ถามว่าภิกษุเหล่านี้น่ะเป็นอะไรหรือกันครั้นได้ฟังบอกภิกษุโน้นท้องขึ้นนะท้องขึ้นท้องเฟ้อท้องร่วงท้องเสียอะไรพวกนี้เป็นต้นก็จะติเตียนว่าโอ้ยท่านองค์นี้มีปกติเป็นอย่างนี้ตลอดกาลนานเหมือนกันเออปกติว่าองค์นี้นะ เพราะไม่รู้จักประมาณท้องของตนค่ะว่าอย่างนี้ชื่อว่าทำสิ่งที่ไม่มีโทษเลยให้เป็นสิ่งที่มีโทษภิกษุไม่กระทำอย่างนี้ย่อมเสพด้วยอันคิดว่าก็ความไม่มีโทษจักมีก็ภิกษุรู้กำลังแห่งไฟตามปกติเป็นต้นของตนจะต้องรู้จักาธาตุไฟของตัวเองนะว่าปกติแล้วเราได้รับอาหารเท่าไหร่จึงจักสมควรแล้วก็เจริญกุศลได้อย่างดี เสพปัจจัยแต่พอประมาณเท่านั้นด้วยคิดว่าเพราะไม่มีความกสันเป็นต้นอย่างนี้นี่แหละความสุขทางกายและก็ความเป็นผู้อันใครๆไม่พึงติเตียนได้ดังนี้การบริโภคอาหารนี่นะถ้าหากว่าขาดหลักโพชเนมั ต, ตันยุตาที่ว่าไปเนี่ยนะการ ม, มาฉันท่านิวร์ก็กลุ้มรุมเนี่ย น, นะหนังท้องเขบอกว่าถ้าหากว่ากินอิ่มเต็มที่แล้วละแล้วนอนหลับ แล้วไม่เจริญกรรมฐานที่เหลือจะคิดอะไระท้องก็อิ่มแล้วหลับก็หลับสนิทแล้วที่เหลือก็การมาวิตกก็จะเกิดขึ้นนะพราะฉะนั้นอาการบริโภคแบบมีโทษเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้บาปอย่างอื่นติดตามมาอีกมากมายเลยนะถ้าหากว่าผู้ที่ไม่เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเดี๋ยวก็ไปเป็นอบัติในด้านอื่นๆ อ, อีกไปผิดศีลผิดธรรมด้า น, น, นอื่นๆอีกยุ่งไปเลยความต้องการด้วยการบริโภคมี ประมาณเพียงใดการบริโภคชื่อว่าบริโภคตามต้องการด้วยการยังความต้องการนั้นให้สําเร็จชื่อว่าจนเต็มท้องด้วยอันยังท้องให้เต็มชื่อว่าการบริโภคอาหารตามที่ต้องการจนเต็มท้องด้วยการเว้นการบริโภคอาหารตามที่ต้องการจนเต็มท้องนั้นอย่าไปให้มันอิ่มเกินไปเขาบอกว่าสุขที่จะพึงได้ด้วยการนอนชื่อว่าสุขด้วยการนอน สุขที่เกิดขึ้นจะแก่บุคคลผู้นอนซึ่งพลิกกลับไปกลับมาโดยข้างทั้งสองชื่อว่าสุขในการเอนระวังกันนะมันเมื่อยข้างซ้ายก็เอนไปขวาเมื่อยขวาก็เอนไปซ้ายเนี่ยก็เรียกว่าแสวงหาความสุขในการเอสนเอสุขที่เกิดขึ้นด้วยการหลับคืออาการหลับชื่อว่าสุขด้วยการหลับการทําให้อริยาบท4ดําเนินไปสมประกอบโดยการละความสุขด้วยการนอนความสุขด้วยการเอนเอกเหนกเนี่ยนะ แล้วก็ความสุขด้วยการหลับเสียชื่อว่าการยังอิริยาบถสี่แห่งกายให้ดำเนินไปสมประกอบเนี่ยนะยืนเดินนั่งนอนก็คล่องแคล่ว <c oughs> การผลัดเปลี่ยนอิริยาบถอันเป็นสุขชื่อว่าการอยู่ผาสุขท่านอาจารย์ประสงค์จะทาให้ลักษณะแห่งการอยู่ผาสุขที่ท่านกล่าวไว้ในอัถวิกับหลังหรือในวิกับทั้งหมดเด่นชัดขึ้นด้วยหลักฐานที่มา นะสมดังคาถาประพันธ์คือที่ภาษาริบุตรกล่าวเขาบอกว่าการอยู่ภาสุขเป็นเหตุไม่ละเลยสุขอันชอบธรรมชื่อว่ามัชิมาปฏิปทาเพราะเว้นจากส่วนสุดทั้งสองสีใช่ถ้าบริโภคเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเนี่ยนะอันนั้นเป็นการ ม, มาสุ ข, ขัาลิกานุโยคถ้าบริโภคจนเวทนาใหม่เกิดขึ้น ถึงกับไปง่วงไปเอนอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของอัตตะกีรมาฐานุโยคนี่ย น, นะบริโภคจนเกินไปจนป่วยแต่ถ้าหากว่าบริโภคอย่างพอดิบพอดีก็เป็นมัชชิมาปฏิปทาแต่ว่าไม่ใช่เอาท้องเป็นประมาณนะั้นเป็นตัวมัชชิมาปฏิปทาเอาจิตที่เป็นไปรู้ประมาณจิตสภาพนั้นอนะเป็นศีลศีลอันนั้นแหละเป็นมัชชิมาปฏิปทาเพราะว่าตัวอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญานั่นแหละคือเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติสายกลาง ถ้าเมื่อใดไม่เป็นไปตามกุศลศีลทั้งหลายขณะนั้นก็เลยเถิดแล้วนะสุดต่งแล้วแต่ในที่นี้พึงประมวลองค์แปดมาดังต่อไปนี้นะการเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคนี่มีองค์แปดนะก็บอกว่าไม่ใช่เพื่อเล่นเนี่ยนับหนึ่งไม่ใช่เพื่อมัวเมานับสองอะนะไม่ไม่ใช่เพื่อตกแต่งเนี่ยนับสามไม่ใช่เพื่อประดับนี่นับสี่ เพียงเพื่อให้กายนี้ดํารงอยู่ได้ณผ้าเพื่อความระงับความเบียดเบียนหเพื่ออนุเคราะห์พรหมจารย์เป็นที่เจดเนี่ยนะเขาบอกว่าคําว่าด้วยกับประการดังนี้จากบรรเทาเวทนาเก่าและจากไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นองค์หนึ่งเนีเป็นองค์ที่แปดคำว่าการยังอัตภาพให้เป็นไปจากมีแก่เราเป็นองค์หนึ่งข้อที่ว่า ความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ความอยู่พาศุขดังกล่าวมานี้เป็นอนิสงค์แห่งการบริโภคในที่นี้แต่พระมหาสิวเทระกล่าวว่าองค์สี่คือไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อตกแต่งไม่ใช่เพื่อประดับเนี่ยนะชื่อว่าเป็นข้อห้ามนะห้ามการบริโภคชนิดนั้นแต่พึงประมวลองค์แปดข้างหน้าดังต่อไปนี้ว่า ในบรรดาองค์แดเหล่านั้นคําว่าเพียงเพื่อยังชีวิตตินซีให้กายนี้ดํารงอยู่อันนี้นับเป็นหนึ่งนะนี้เรียวกว่าประโยชน์แห่งการบริโภคคําว่าเพื่อยังอัตภาพให้เป็นตายอันนี้เป็นองค์หนึ่งนะคำว่าเพื่อระ ง, งับความเบียดเบียนก็เป็นองค์หนึ่งว่าเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ก็เป็นองค์หนึ่งคำว่าด้วยประการชนี้จะบรรทาเวทนาเก่าเสียได้เป็นองค์หนึ่งคำว่าจะไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นองค์หนึ่ง คำว่าความเป็นไปจากมีแก่เราเป็นองค์หนึ่งคำว่าความเป็นผู้หาโทษไม่ได้เป็นองค์หนึ่งแต่ความอยู่ภาสุกเป็นอนิสงค์แห่งการบริโภคดังนี้แหละพิสูจเมื่อกลืนกินอาหารอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างนี้ชื่อว่าพิจารณาแล้วเสพ บ, บินทบาทโดยอุบายอันแยบคายเนี่ยนะถ้ารู้จักหลักแห่งการบริโภคแบบนี้ศีละนะจะเห็นชัดนะนะศีละนะคือ รองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปเพราะถ้าว่าในขณะที่เราบริโภคอาหารขาดการไคร่ครวนขาดการพิจารณาสิกขาขณะนั้ น, นนั้นก็ไม่เกิดเมื่อสิกขาคือที่ศีลสิกขาเบื้องต้นไม่บริบูรณ์สิกขาต่อๆไปก็จะพร่องไปโดยลําดับนะไปเจริญกรรมฐานประเภทพุ้ทานุสตีเนี่ยเจริญไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้านี้เป็นโภชเนมัตตัญญูตาแต่ของเรานี่ตรงกันข้ามอย่างเงี้ยนะเออเจริญชักไม่ก่อยเพิ่มเลย ชาคริยานุโยกอ้เราก็นั่งสับ ป, ประงกล้าสับ ป, ประงกหลังโอ้ตรงกันข้าไมไปหมดเลยนะนึกกรรมฐานยังไงก็ไม่เพิ่มใจส ม, มะถะเลยไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยเครื่องรองรับชั้นต้นไม่ดี